หู่มาใหม่เกี่ยวกับจิ่พภายนอกพึงสังเกตศึกษาด้วยตาด้วยหูความเคลื่อนไหวในการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับหลักทมหลักวิ่งไหน สมชื่อว่ามาศึกษาถ้าเป็นผู้ซ้ำเนียวจะคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์เทศแนะนำสั่งสอนอย่างเดียวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่ภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตการมารวมกันเป็นจำนวนมาก จอมทำให้อึดอาดหน่วยนายล่าช้าในกิดต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ใจทำให้ไม่สะดวกในการประกอบความภาคเพียรเพราะความเกี่ยวเนื่องกันกับหมู่กับคณะฉะนั้นการส่อแสแหวังหา ที่วิเวก ย, ยิงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งหนึ่งจะไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นจำนวนมากกว่าการอยู่กับหมู่กับคณะรวมกันได้หลายองค์หนึ่งส่วนมากมักแต่มีความเผลอความไม่มีสติประจังตน นี่ผิดกับหลักการแก้การชำระกิเลสซึ่งจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วหมู่เพื่อนก็มาอยู่เรื่อยๆการให้อุวาตสั่งสอนก็สั่งสอนด้วยมานับแต่มาเกี่ยวข้องกับวงคณะเป็นเวลารวมสามสิบปีเขานี้แล้วรู้สึกว่าเป็นภาระหนักมากอยู่ไม่น้อยสวหรับผู้เป็นหัวหน้า มาตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจริงๆสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนนั้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่สเสมอกับครูกับอาจารย์กับหมู่กับคณะนอกจากเราไม่เป็นคนกินจังเสียเท่านั้นฉะนั้นทุกๆ ท, ท่านที่มาศึกษาอบรมอย่าดูที่ไหนมากยิ่งกว่าดูใจคือความเคลื่อนไหวของตน แม้การศึกษาจากทางหูทางตาก็เพื่อเข้าไปสู่ใจให้ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีถ้านำออกมพคุยปฏิบัติด้วยความราบเรื่นดีงามใจเป็นสิ่งที่รักษายากมากยิ่งกว่าสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาเยียวยา แก้ไขฝึกฝนทรมานให้ได้ยากยิ่งกว่าใจเพราะใจเป็นโรคเรื้อรังมานานจนเจ้าของเองก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเรื้อรังมาตั้งแต่เมื่อไหรจนถึงชาติปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบว่ามาจากอะไรมานานเท่าไหร่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติ ยิ่งไม่อาจที่จะมานับมาอ่านมาแข่งขันซึ่งกันและกันได้ในเรื่องความเกิดเจจิจตายความทุกข์ความลำบากของแต่ละหลายละลายนี่เพราะความโรคเรื้อรังของจิตตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างตายตัวและถูกต้องแม่นยำํำไม่มีค่าเคลื่อนแม้แต่น้อยว่าอวิชชาปฏิยาสร้างขารา สร้างขาราปฏิยาวิญญาณเป็นต้นเราจะไปหาอาวิชชาที่ไหนถ้าไม่ดูที่ใจจะไม่เห็นไม่เจออวิชชาเลยความโง่เง่าเตาตุนไม่ใช่อะไรโง่ตาก็ไม่ได้โง่หูไม่ได้โง่จมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นผู้โง่ผู้ฉลาดแต่ผู้ที่โง่ก็คือใจ ใจไม่ฝุ่นอบรมตนเพื่อความฉลาดแล้วจะหาความฉลาดเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่ความฉลาดจะเกิดขึ้นได้โดยการฝุ่นลมก็เกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นสิ่งสําคัญแต่เวลานี้โรคเรื้อรังฝังจมอยู่ภายในจิตจนไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจิตเป็นอย่างไรทั้งที่ททรู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนหรือเดินนั่งนอน นั่นแหละก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าความรู้อันแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะมันเจือปน ก, นกันกับโรคโรคกกิจ ด, ด้กลายเป็นอันเดียวกันคือกิเลสกับกิจเป็นอันเดียวกันนี่แหละโรคอันนี้แหละเชื้ออันนี้แหละผิดพาให้ชัดโรคเกิดแก่จิตตายด้วยมา ไม่เข็ดไม่หลับก็มีโรคอันเดียวนี้แหละเป็นขแขนงของมันปกคลุมหุ้มห่อไว้ไม่ให้เข็ดให้หลับไม่ให้เห็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งๆ ท, ที่เจอกันอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ที่จะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาให้เกิดโทษเกิดคุณขึ้นมาเห็นโทษเห็นคุณขึ้นมา เพราะการพิจารณาของตนนั้นมันไม่เกิดมันจมอยู่ด้วยกันเช่นนั้นยิงเป็นความลำบากนี่เราได้ก้าวเข้ามาสู่เพศอันเหมาะสมและหน้าที่การงานอันถูกต้องแล้วในการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับปิดบงังหรือหุ้มหอดปิดใจนี้ให้ออกเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับลำดา เราเป็นผู้เหมาะสมแล้วไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเราหากไม่ถือโอกาสแห่งความเหมาะสมเหมาะสมของตนนี้ประพฤตปฏิบัติเพื่อให้ได้มักได้ผลให้รู้ต้นรู้ปลายของความจริงและความปรองทั้งหลายซึ่งรวมอยู่ภายในจิใจนี้แล้วข็หาโอกาสไม่ได้ เพราะคำว่ามืดกับแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม น, นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคนั่นไม่ได้เป็นผู้ให้ความสะดวกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเป็นเพียงเราอาศัยสิ่งเหล่านั้นที่จะทำประโยชน์แก่ตนคาว่าโรคเรื้อรัง ได้กล่าวแล้วในเบื้องตน้นโรคอันนี้ลึกลับมากใจกับโรคนี้จึงเป็นเหมือนอันเดียวกันมอง ด, ดูโรคอันนี้กับมองดูใจในความรู้สึกของเราทั่วไปนั้นจะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปแยกแยะ และไม่มีความรู้เหนือกว่านั้นที่จะพอทราบได้ว่าสิ่งใดเป็นจิตจิงใดเป็นโรกแทรกหรือเป็นโรคเรือรังที่ฝังจมกันอยู่ภายในจิตนั้นนอกจากจิตที่ถูกฝังด้วยยาพิษอยู่ภายในนั้นแล้วมันยังกระจายขแขนงออกมาให้เป็นแบบเดียวกันกับส่วนข้างในของมันทั้งสิ้น ส่งกระแสไปทางตาก็เพื่อหลงคือเพื่อรักเพื่อชังเพื่อเกลียดเพื่อกลุกนะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสาทางแห่งโรคเรื้อรังนี้ก้าวออกเดินเพื่อสะแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งก็คือโทษนั่นแหละเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้หนาแน่นไปโดยลำดับ จึงหาทางที่จะทราบและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ยากเพราะมันปิดครอบไว้หมดทั้งภายนอกภายในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นทางเดินของโรคอันนี้รูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสก็เพื่อจะประมวลเข้ามาสู่ความหลงอันเดียวกันนี้เจอเข้าที่ไหนก็ต้องหลงที่นั้นสัมผัสสัมพันธ์ ไม่ว่าใกล้ว่าไกลรูปเสียงกินรถเครื่องสัมผัสทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยแต่จิตดวงนี้ซึ่งเต็มไปด้วยของจอมปลอมยิงต้องไปเสกสรรปั้นยอสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้ น, ส, น, น, น, น, นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เมาอารมณ์แห่งความเสกสรรปั้นยอหรือความปรุงแต่งแห่งความจาปลอมของตนนั่นแหละเข้ามาหลอกลวงตนเองให้ลุ่มหลง หนานแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่มีเวลาจุดจากหากว่าเรามีความเขียนหลาบเหมือนอย่างสิ่งทั่วไปซึ่งเราเคยพบเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะครองหัวใจเราอย่างหนานแน่นดังที่เป็นอยู่นี้มานานและไปนานเท่าไหร่เลยจะต้องมีการบุดลอยออกเป็นได้ด้วยการสลัดปัดทิ้งเพราะ ความเห็นโทษของเรานี่แม้แต่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกตามความความจัดความจริงโดยไม่ผิดไม่พลาดจิตใจยังมันยังทะเถลไะถลยังไม่ยอมรับความจริงนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะกำลังของสิ่งจอมปลอมนั้นมันคอยผลักคอยใส่จากความจริงให้สู่ความจอมปลอมของมันอยู่เสมอนั่นแหละผู้ปฏิบัต ยังไม่ค่อยได้เหตุได้ผลได้ถ้อยได้ความในความจริงทั้งหลายซึ่งมีเต็มตัวอยู่ภายในตัวของในกายในใจของเหล่านี้เพราะเหตุนี้เพราะอำนาจของสิ่งนั้นมันมีมากกว่ายึงต้องอาศัยกำลังความเพียรฝาฝืนอดทนหนักก็เอาไม่ถอยสู้ไม่ถอย เพราะเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสวกสาิธรรมกราดไม่ชอบแล้วชอบแล้วในส่วนกิเลสมันบอกไว้ที่ตรงไหนว่ามันมันมันบอกว่าชอบแล้วสอนว่าชอบแล้วทำไมพวกเราจึงไปเชื่อมันเอานักหนาถึงเราจะไปว่ากิเลสลาคาตันตันหาสทานังขจฉามิข้อตามถอะ มันก็คือสั้นังคัจฉามิอยู่ทุกๆุกขณะของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาแต่ตองบ้างเลยนั่นแหละคา่าพุธทธังธรรมังสังคังสั้ น, นังคัจฉามิหรือที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วนี้มันเป็นแต่เพียงผิวเผินไม่ได้เข้าถึงความจริงความสัขาธรรมนั้นเลยหากว่าจิตใจได้อย่างเข้าถึงสังขาธรรม ที่ท่านตรัสไว้อย่างแท้จริงด้วยความจริงของใจแล้วกิเลส จ, จะทนอยู่ไม่ได้ความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ทนอยู่ไม่ได้เพราะความจริงมีอํานาจไปถึงไหนความจำปลอมจะต้องหลุดลอยออกไปโดยลำํำดับลํำดับที่พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้บรรลุธรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ความจริงแห่งธรรมได้เข้าถึงใจอย่างเต็มจัดเต็มส่วนกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยฉันจึงกล่าวไว้ว่าอวิชชาจะ ตวเวรวาเซสติราดาริโรธาสร้างฆารานิโรโทเมื่อวิชาดับนั้นดับสังขารดับวิญญาณดับเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโทโหติดับสนิทไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือความจริงเข้าถึงแล้คมัสยวขารธรรมที่ตราไว้ชอบแล้วนี้ก็ชอบออกมาจากพระทัยของผู้ที่ยวที่บริสุทธิ์ซึ่งรู้แจ้งความจริงทั้งหลายแล้วเต็มพระทัยนั่นแหละนำออกมาสอนจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหน เราพูดมาปฏิบัติทมทำไมจึงไม่ฟังให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงใจกิเลสะนังขะฉ า, ามิไม่ต้องออกปากแต่มันกลืนเรามันขบเคี้ยวเราอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาหากกาเป็นวัตถุต่างๆแล้วเป็นผุ๋ยผงไปหมดพอถูกเคี้ยวถูกกลืนเคี้ยวแล้วกลืนเล่ากลืนกลับไปกลับมาเคี้ยกับไปกลับม า, บบมาแะเละเอียดเป็นผุยผงไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เคี้ยวกลืน กิจใจของเราเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่แล้วจะเห็นที่ไหนอะไรว่าเป็นโทษในโลกนี้สิ่งเหล่านี้สังอยู่ที่ใจยาเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดส่วนภายนอกนั้นเป็นเพียงสิ่งส่งเสริมสิ่งประกอบของกิเลสที่จะเพิ่มตัวให้มีกำลังเพราะความเฉลียชละเฉะลียวลาดของตนของมันถ้าสติปัญญาของเราไม่ทัน ก็จะต้องกลืนความทุกข์ความลําบากด้วยความเกิดแก่เจ็ดตายหมุนเยียนกันไปทํานองนี้ได้เลอากลับตลอดกันไม่มีคําว่าต้นทางตายทางได้เลยเหมือนมดแดงไตขอบดงนั่นแหละไตไปตายมาอยู่ที่ขอบดงเข้าใจว่าเป็นใหม่มาเรื่อยแล้วายมาขอบดงอันเก่านั่นแหละหมุนไปเยียนมานี่จิตที่หมุนไปด้วยอํานาจแห่งวัฏจักร ซึ่งฝังอยู่ภายในวัตจิกนี้ก็หมุนอย่างนั้นเหมือนกันเราอยากทราบอาคุดลงไปสมาธิทำให้ถึงใจทำไมจิตจะสงบไม่ได้ธรรมโอสถมีอยู่โรคเขามีในกายของคนไข้เขายังวิ่งหาหมอหายามมารักษาสงบและหายไปได้โรคของเรากอดคัมภีร์อยู่แท้ ทำไมจึงหายไปไม่ได้เพราะขี้เกียด ร, รับยายาคืออะไรคือธรรมประโยชน์แห่งการรับยาก็ไม่เพียงไม่พอกันเดินจงกรมก็ไม่พอที่จะเห็นทุกในการเดินนั่งสมาธิก็ไม่พอเห็นทุกข์ในการนั่งอันเป็นสัจธรรมจะภาวนาแบบไหนก็ไม่พอเห็นทุกทั้งทั้งที่ทุกกองเต็มอยู่ภายในกายในใจ ไม่มีเวลาบกพร่องเลยนอกจากไม่แสดงขึ้นมากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นแต่มันมีอยู่ภายในนี้อยู่แล้วเดินก็ฟาดจะให้มันถึงเหตุถึงผลให้มันเห็นความทุกข์ในการเดินจงกรมเหมือนเราได้รับความทุกข์ในสิ่งทั้งหลายแต่ไม่เห็นโทษของมันนั้นดูสิเดินมากเป็นอย่างไรเหนื่อยมากขนาดไหน แล้จิตมันยอมจำนนใหม่ในขณะที่เดินก็ไม่สักแต่บะก้าวไปก้าวมาเฉยๆซึ่งเป็นเหมือนกับชาวบ้านหรือเขาเดินปไปตามธรรมดาแต่ก้าวเดินด้วยความเพียรคือด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตมันจะเล็ดลอดออกไปไหนสติปัญญามีหน้าที่อันเดียวที่จะต้องดูจิตเท่านั้นไม่ต้องไปดูสิ่งอื่นสิ่งใด้กลัวโลกนี้จะสูญหายไปจากตัวเองจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องกลัว กลัวแต่จะไม่ได้พ้นจากโลกแห่งกรกทุกข์นี้ไปเท่านั้นตั้งกิตลงให้แน่หนามั่นคงต่อหน้าที่การงานของตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดูเป็นจะเป็นยังไงจิตนี้มันจะจะเหี่เลืล่อนจะผาดผลโลดเต้นไปไหนเหนือสติปัญญาไปได้เหรอือถ้าเหนือแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติขึ้นมาเสียใหม่ในหลักธรรมที่ทรงสอนว่าเป็นมัชจิมาคือเหมาะสมแล้วกับการแก้กิเลสของสัตว์นี้ ท่านไปเปลี่ยนแปลงสมัยเรามันได้เรื่องอะไรมีแต่กิเลสไปเปลี่ยนแปลงธรรมของท่านไปเหยียบย่ำทำลายธรรมของท่านอยู่ในทางจงกรมในที่สมาธิภรวนาะให้แหลกเหลวไปหมดแล้วจะบนหาสมาธิสมาบัตรความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดจากสติปัญญาที่ไหนเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีเดินสักแต่ว่า แต่ว่าเดินเหมือนบ้าเขาเดินไม่มีสติสตังเราจะเอาของศักดิ์สิทธิ์พิเศษจากกิริยาแห่งความเป็นบ้าของเราได้ยังไงเหตุผลไม่ได้เข้าไม่เข้ากันไม่ได้นี่คนจะได้ของดิบพวกนี้ต้องทําให้ดบให้ดีมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพราะทําไม่ใช่ของเลวแหละแแบบแนวดังที่กิเลสพากให้เป็นไปนั่นจะดิ้นรนไปไหนจิต วันนี้เป็นวันที่เราจะต่อสู้ครับจิตให้เห็นพิษเห็นภัยซึ่งกันและกาันทางฝ่าสติปัญญาก็เอาให้หนักแน่นกิเรศมันจะแหลมคมขนาดไหนมันจะมีกำลังมากน้อยมาจากไหนไม่เหนือประจากใจนี่เลยเอาให้เห็นกันเดินจงกรมเอามันจะเหนื่อยขนาดไหนลองดูมหามันรู้เรื่องเหนื่อยนั่งสมาธิมันจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์นั่นแหละคือสัจธรรมท่านว่าทุกขังอเดียสัจจัง ทุกเป็นของจริงอันประเสริฐฉันว่าอย่างนั้นแต่ทําไมเราจะเห็นว่าทุกนั้มันเป็นภัยต่อเราขัดแย้งธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกนั้นอย่างถึงใจดูสิทุกนั้นจะปลอมไปไหนถ้าลงได้อย่างถึงความจริงของทุกในเวลานั่งเอาเจ็บขนาดไหนตรงไหนเป็นตรงที่เจ็บมากที่สุดคนตายแล้วมันเจ็บไหม หนังหรือเจ็บหรือเนื้อเจ็บหรือกระดูเจ็บเช่นเอ็นตรงไหนมันเจ็บมันปวดแสบร้อนดูทั้งจุดที่มันเจ็บปวดแสบร้อนดูทั้งจิตผู้ไปสําคำนั้นหมายดูทั้งทุกข์ที่มันกําลังแสดงความปวดร้าวอยู่เวลานั้นดูทั้งสถานที่เกิดแห่งทุกข์เข่นแข้งข้ามีตรงไหนที่หนักแน่นกว่าเพื่อนเช่นกระดูเจ็บกระดูปวดกระดูอ้ดู กระดูกสัตว์ทิ้งเกิอดอยู่ตามสนนลูกระทางเขาบนว่าอย่างไรหนังหนังรองเท้าเราใส่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันนี้เขาบนว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่ตามสภาพของเขาทุกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปดับไปแม้ตัวของทุกเองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากจิตตัวหลอกลวงจอมปลอมนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสารตัญนย่อได้ซ้ำผ่านมันหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ ทั้งๆที่ทุกขณะนั้นก็หาทางออกมาได้ยังยึดว่าเราเป็นทุกส่วนนั้นของเราเป็นทุกแขนของเราเป็นทุกขาของเราเป็นทุกแล้วก็ทุกทั้งหมดนี่เป็นเราเราก็เลยกลายเป็นทุกบวกกันเข้าไปเป็นตันเป็นไจเพราะความโง่หรือความฉลาดคนเราให้เห็นความจริงของมันเลยเราจะได้ชัดเจนขึ้นในใจของเราว่าท่านพิท่าษว่าโทษเป็นของจริงนั้นอ๋อจริงอย่างนี้เหรือน่ะ คือยอกย้อนดูทั้งกายในสถาในจุดที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายดูทั้งตัวทุกข์ว่ามันเป็นอะไรและสุดท้ายก็มีแต่ใจดวงเดียวดิ้นรนกวาดแปรงอยู่โดยลำพังตัวเองเที่ยวยืดนั่นยึดนี้เมื่อสติปัญญาตามทันความสาคัญมั่หมายนี้กระถอนตัวเข้ามา สิ่งเล่นั้นก็เป็นของจริงตามสรมติชานของตนเพราะหมดความสำคัญมั่นหมายเขาภายในจิตจิตก็กลายมาเป็นความจริงของตัวเองก็รู้เห็นชัดนั่นที่แบบแลว้วความเพียรให้ถึงของจริงทุกข์ใมาเป็นของจริงให้จริงพานาใจของเราเถอะจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ความเพียรก็กล้าหาญชาญไฉพึ่งตัวเองได้ อัตตาเหตโนนนาโถจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เข้าจนกรอบจัหมุมนั้นเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นอกจากเราจะช่วยเราขณะที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเราจะช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาพัดกันอย่างสุดกำลังความสามารถความจริงจะปรากฏขึ้นมานี่การทาความเพียรทำอย่างนั้น ถึงการที่จะทําเช่นนั้นให้ทําเช่นนั้นถึงการที่จะลดหย่อนผ่อนผันตามการเป็นเวลาก็มีแต่ส่วนมากมันไม่ได้ห่าถึงการลดหย่อนผ่อนผั น, ผนมันลดของมันอยู่ด้วยอํานาจแห่งความขี้เกียจขี้ค้านอํานาจแห่งขี้เดียดเหยีบย่ำทำลายให้อ่อนแออ่อนเปียกไปหมดนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นไปด้วยความอนุโลมตามการตาเวลาโดยทางเหตุผลถึงเวลาจะแข้งถึงเวลาจะตึงถึงเวลาจะเด็กเดี่ยวด้วย เหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาก็กเด็ดอย่างนั้นไม่ค่อยมีมิแต่กลัวตายกลัวตายคํากลัวตายคืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสครอบหัวใจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วอะไรตายถ้าดินน้ําลมไฟมีมาแต่ดั้งเดิมเขาีว่าเขาตายที่ตรงไหนิผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันก็ไม่ได้ตายเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วยิ่งรู้ยิ่งเด่นอะไรตาย เขมีแต่ลมแต่แรงที่เสียกสันขึ้นหลอกตัวเองให้กลัวให้ท่อแท้เดี๋ยวไหลไปเท่านั้นเองแล้วทำที่ต้องการเช่นสมาธิทำเป็นต้นก็ไม่ปรากฏในจิตแล้วเราจะเอาอะไรเป็นคุณค่าของพระเป็นสมบัติของพระถ้าลงสมาธิและปัญญาไม่ปรากฏในตัวของเราเลยแล้วอะไรเป็นคุณค่าอันดีงามของพระพ้าเหลืองอยู่ตลาดเต็มไปหมดชี้สาล้นลอยใครโกลนก็ได้ยากอะไร อันนี้เป็นเพศอันหนึ่งพรให้ประกาศให้โลกใหะตัวเองได้ทราบว่าเพศนี้คือเพศไม่ทอถอยเพศที่ชัยชนะผ้ากาสะวรพัฒนนี้ได้มาจากท่านผู้เชี่ยวชาญเจเดวฉละดได้ชัยชนะปราบกิเลสให้สิ้นซากไปละลบล้างป่าช้าในสามโลกธาตุนี้ให้สิ้นซากประจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือได้ผ้ากาสะวรพัฒน์นี้มา พาเหลืองเจ๋เฉยอยู่ที่ไหนก็มีโกนผมโกนชี้ใครโวนเราก็ได้ยากอะไรจะโกน ล, ลงถึงหนังมันก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ทําสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แล้วอะไรเป็นคุณสมบัติของพระถ้าสมาธิคือความเยอเือกเย็นของใจไม่มีลหลักใจไม่มีแล้วลเราจะพึ่งอะไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง เกิดประโยชน์อะไรอยู่ต้องอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยคุณธรรมเย็นอยู่ด้วยคุณธรรมจึงไม่ร้อนคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมทไม่มีหลักของใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะร้อนเป็นพื้นเป็นไฟหาที่ยึดที่เหนียวไม่ได้เลโลกนี้รู้แล้วยังว่าเป็นไฟทั้งกองใครอยู่ที่ไหนไม่เดือดไม่ร้อนวุ่นวายมีหรือโลกไหนเป็นโลกที่สะดวกสบาย มีแต่โลกเกิดแจเจ็บตายความมาเกิดแจเจ็บตายเป็นของดีแล้วเหรอนี่แหละคือโลกไยแต่พ อ, อย่างยิ่งก็ราคัตกินาโทสักกินามหักกินามันเผาอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดลไม่ลาให้แก้ที่ตรงนี้เอาให้ปรากฏสมาธิทมจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรของนักบวดเรานี่แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี้ได้ยินแต่ชื่ออ่านมาจนน้าลายแฉะ อ่านตำหลับตำลาท่องตำหลับตำล า, ลาลสมาธิปัญญาหรือว่าแต่องค์สมาธิคุณสมบัติของสมาธิไม่ปรากฏพายในจิตใจเลยมันได้อะไรความจํำเฉยๆนั่นเอาให้ถึงความจริงคือสมาธิที่แท้จริงจริงมาเกิดที่ไหนมีอยู่ที่ไหนคุณสมบัติของสมาธิเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรให้มันเห็นในใจของตนนี้จะไม่ต้องไปหารูปฮักคำแบบงูปล า, าหาตะคุบเงา เมื่อเห็นเจอของจริงแล้วไม่จําเป็นต้องตะคุกนั่งที่ไหนก็จริงอย่อยางนั้นถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้ถึงเหตุถึงเหตุถึงผลถึงพลิดถึงถิงถึงความจัดความจริงอีกเพราะความจัดความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แล้วขีดมันจะดิ้นรนกวนกระว่าไปไหนเหนือความสามารถของเราได้หรือพิจารณาให้จริงเถอะ วันไหนก็มอบรากกับกิเลสคืกิเลสได้ความวิเศษวิโสอะไรไม่เคยเห็นโทษทั้งตัวที่หมอบรากกับกิเลสบ้างเหรือถ้ายังไม่เคยเห็นโทษทังตัวในการหมอบรากของกิเลสว่าเป็นโทษประการใดบ้างแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นจากความทุกข์ความทรมานของกิเลสนี้ไปได้วิธีการทั้งหมดอันเป็นวิธีการต่อสู้กิเลสนี้จะทุกขนาดไหนทุกไปเถอะโลกนี้เป็นโลกที่มีป่าช้าอยู่แล้วในตัวของมัน ตัวคนตัวสัตว์แต่ละคนและสัตว์นี้มีปา่าช้าเต็มตัวอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปกลัวปา่าช้าไปสอบสายหาปา่าช้าที่ไหนอีกแล้วกลัวไม่กลัวก็ตายคนสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครผ่านพ้นความตายไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ตายด้วยความอิ่มหนำสําราญภายในจิตใจเถอดนี่เป็นกากเมืองร่างกายนี่้ขนสมัดออกให้หมดพิจนารณาให้ดีสติปัญญา ถึงการจะใช้ภาคใดเอาใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะทําให้จิตสงบสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการจะใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่งขันกองภูเขาภูเหล่านี้เอาให้มันแตกกระจายอันนี้ทําลายยากนะอภูเขาภูเหล่านี่ภูเขาภายนอกนั้นเขาทําทําลายมาทําเขา ถ้าเอามาทําประโยชน์ซะมากมายจนกระทั่งภูเขาจะไม่มีเขาระเบิดออกแหลกแตกกระจายไปหมดเอามาทําถนนทุนทางทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการแต่ภูเขาภูแลวนี่มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำนายก็ไม่แตกเกสาผมเส้นเดียวบางบันดูไม่ตลอดทั่วถึงดูไม่เห็นโลมานขาทันตาตะโจรวมแล้วเป็นร่างกาย อย่างตอนนี้ก็ดูไม่ทะลุจะว่าเราโง่หรือเราฉลาดในตัวเราตัวท่านมีอยู่ทุกคนนี่ดูไม่ได้เหรอถ้าติปัญญาเอาไว้ทําไมพิจารณาที่ความจริงมีอยู่หนังบางๆท่านั้นหุ้มห่ออยู่ภายในร่างกายนี้เศษสันปัญญอ ใ, ให้ใหญ่โตยิ่งกว่าสามโลกกระถางนี้แล้วใครเป็นผู้แบบความเศษสันปัญญอเหล่านี้ให้หนักภายในใ จ, ใจิตใจถ้าไม่ใช่เรา ผู้ที่เข้าใจว่าตนฉนาดแต่กับโง่ที่สุดแบกกองทุกข์ไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาตรงตรงนี้เลยอุปทานมันไม่ยึดมันจะทนได้หรือเมื่อความหลงเต็มตัวแล้วมันต้องยุดแต่สําคัญเราเฉยหาความจริงไม่ได้พิจารณาที่คลายออกดูให้ดีพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องว่าเราคืบไปโน้นเราก้าวหน้าเราถอยกลับ ให้พิจารณารอบภายในตัวของเรานี่คือหรือจะพิจารณาอาการใดที่เห็นว่าถนัดภายใน จ, ใจิตใจพิจารณาและจะกระจายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันกระแสของจิตกระแสของปัญญาจะซึมซาบไปตลอดทั่วที่เราเห็นตามความเป็นจริงของมันโดยทั่วการหมดนี่เป็นส่วนร่างกายในส่วนเวทนามันก็สลับซับซ้อนพิจารณากันได้นะขณะเดียวกันนั้น เวลาเกิดทุกข์ลำบากขึ้นมาภายในร่างกายก็แยกแยะดังพิจารณาแยกแย่ดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนี่คือคลี่คลายสถานที่ซุ่มซ่อนแห่งความลุ่มหลงมันซุ่มซ่อนอยู่ได้หมดภายในร่างกายแม้แต่ของละเอียดเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสมันก็ละเอียดก็ไปซุ่มซ่อนอนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไปเช ลวนแล้วตั้งแต่จอมปลอมทั้งนั้นการพิจารณาก็เพื่อจะให้เบอร์ความจอมปลอมนี้ออกเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักธรรมชาติของมันถ้าพูดถึงอสุภาษัสุพังมันก็ตัวป่าช้าผีดิบภายในร่างของเราทุกๆร่างนี้นี่มีลมหายใจเท่านั้นประคองตัวเอาไว้พอไม่แสดงตัวอย่างเปิดเผยดังทิ้ดดังคนตายเท่านั้นเองมันผิดอะไรกันนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรผิดกันเลยพิจารณาลงไปตรงนี้แล้วมันจะหลงที่ตรงไหน นี่คือความจริงแต่ความปลอมมันก็หลอกครับที่ว่าสวยว่างามว่าเนี่ยหนามันคงลบล้างความจริงไปหมดนั่นคืออำนาจของกิเลสเป็นผู้ลบล้างทีนี้ผลิตทำขึ้นมาเพื่อลบล้างความจำปลอมนั้นให้เห็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนขึ้นมาและถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งออกมาเป็นมาจากความหลงนั้นให้หมดภายในร่างกายและจิตใจของตน เวทนาส่วนมากเวทนาทางกายเป็นส่วนใหญ่มันสับป น, นกันกับร่างกายพิจารณากันได้ด้วยกันเมื่อถึงระยะที่ควรจะพิจารณามันหักรู้เองภายในตัวเองพอกล้าเข้าสู่ความละเอียดเช่นการพิจารณาร่างกายรู้รอบขอบคิดไปหมดแล้วอุปทานนักขันหมายถึงรู้ประขันเป็นสาคัญ จากทนยึดถืออยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงถึงความจริงแล้วต้องปล่อยวางตามสู่หลักความจริงของเขาเวทนาคือความฉุกความทุกข์ความเฉยเฉยที่มีอยู่ภายในร่างกายก็เป็นไปตามกันเป็นความจริงไปเหมือนๆกันด้วยปัญญานั่นแหละสัญญามีความละเอียดมากทางด้านปฏิบัติซึมทราบออกไปโดยไม่รู้สึกตัวแหละถ้าไม่ใชป่ปัญญาขั้นที่จะ รู้กันได้เป็นอันมารู้ไม่ได้เพราะไม่มีแยบแยบแบแ ย, บ, ยบไม่มีกระเพื่มเลยเหมือนกับกระดาษซึมซึมออกไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาไปไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะรู้กันแล้วปิดไม่อยู่จะออกละเอียดขนาดไหนสติปัญญายิ่งละเอียดกว่านั้นต้องทราบมาได้ทันทีทันทีสังขารยังมีแยบแยบด้วยการปลุมข้องตน้นพอกระเพื่อมออกมาก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา ส่วนทัญญานี่ซึมซาบไปกลายเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยในภาคปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยินญาณก็เคยพูดแล้วไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนครั้งคือความรับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกกับอยายตนะภายนอกกับอยายตนะภายในสัมผัสกันเช่นรูปสัมผัสตารูกขึ้นเสียงสัมผัสหูเป็นความได้ยิน ตามจังหวะแห่งสิ่งที่มาสัมผัสนั้นแล้วดับไปตามสิ่งเหล่านั้นดับไปแล้วรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าขันห้าคือรูปได้แก่รูปกายของเราเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆอาพูดถึงเวทนาทางร่างกายนี้ไปก่อนสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชัว่วตา่างๆแล้วดับไปดับไปเช่นเดียวกันหมดอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเรา แต่ปักปันเอาทำใหม่ไม่ใช่ความจริงฝืนความจริงไปทำไมพิจณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาเลยเมื่อจิตเมื่อปัญญาได้ตีตล่ำเข้าไปโดยลำดับลำดับแล้วย่อมจะหดตัวเข้าไปกายก็ปล่อยจากอุปทานพาะรู้รอบหมดแล้วเวทนาทางกายก็เป็นอันวารู้รอบไปตามๆกัน สัญญาที่เป็นกระแสมาจากจิตสังขารวิย่งยางเป็นกระแสมาจากจิตก็เป็นกระแสของจิตอาการของจิตไม่ใช่จิตนสติปัญญาก็รู้ก็ตามทันเมื่อได้ถูก ป, ปัญญาตีตะล่มเข้าไปนีเดียดซึ่งเคยออกหากินตามทางรูปะเวทนาสัญญาสังขารและทางตาหูจมูกจีนกาย ม, มันก็ตัดสะพานกัน หดตัวเข้าไป ห, ด ต, ไปหดตัวเข้าไปนี่การแก้กิเลสการพิจารณาการฆ่าหรือการลบล้างความจอมปอมด้วยหลักธรรมคือความจริงพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งถึงกิเลสหาทางออกไม่ได้ถูกตัดสะพานสมุนของกิเลสคืออาการต่างๆทางเดินของกิเลสอาการของกิจที่แสดงออกมาเพื่อเป็นกิเลสก็ถูกตัดเข้าไปโดยลำดับเปล จนกระทั่งถึงจิตเมื่อปล่อยแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปเมื่อเข้าถึงจิตนั่นแหละที่โรคเรื้อรังไม่มีที่กระจายตัดสะพาวะหมดแล้วเหลืออยู่ภ า, ายใจิตเท่านั้นสติปัญญาอันเป็นโอสถอย่างเอกก็ฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปจนแตกกระจายโรคเรื้อรังที่ว่า เป็นเหมือนกิจกิจเป็นเหมือนกับโรคกนนั้นที่นี่กระจายกันออกไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเหลือโรคเรืออรังไม่มีเหลือแล้วเหลือจิงที่เหลือคืออะไรก็คือความบริสุทธินั่นนะัตถิน้โรคเรืออรังหมดความมาเกิดแย่เจ็บตายซึ่งเป็นระจากโรคเรืออรังนี่หมด แต่ความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ปรากฏว่าหมดไปด้วยนั่นะที่นี่อิสระอิสรเต็มที่ภาระที่เคยแบกหามมาโดยการประกอบความเพียรหนักเบามากน้อยคุ้มค่าหมดตังหมนตั้งแต่ขณะโรคเรือรังคือวิชาได้ทลายลงไปจากจิตแล้วเท่านั้นืูไหนอยู่ไปเถอะ ท่านว่ามุสิตังประมาจรียังเสร็จกิจในพุทธศาสนาก็คือหรือว่าพรมอาจารย์ได้อยู่จบแล้วท่านว่าก็คือเสร็จงานปราบกี่เลออยกูง่ายเสร็จงานปราบเชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ภายในใจเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าหมดภาระไม่มีอะไรล่ะที่นี้โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ เราไปสําคัญนั่นหมายตัางหากว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่าง น, นี้ออกไปจากกิจดวงเดียวซึ่งเป็นผู้ไปสําคัญนั่นหมายด้วยความรุ่งหลวงตันนั่นแหละเมื่อความสาคัญนั่นหมายเเมื่อความรุ่งหลวงนี้ได้หมดไปจากกิจแล้วจะว่าโลกกาตแนี้มีหรือไม่มีก็ได้ทั้งนั้นเพราะผู้นี้ไม่ไปยุ่งผู้นี้ไม่ไปติดผู้นี้ไม่ไปพัวพันธุ์ผู้นี้รู้รอบเขาคิดหมดแล้วกลายเป็นธรรมชาติที่เหนือโลก ทั้งสามนี่ไปแล้วทั้งทั้งที่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกทั้งสามนี่แหละหักเหนือเพราไม่ติดให้พันกับสิ่งเหล่านั้น อ, อะไรจะมาเป็นภัยต่อจิถ้าเป็นภัยต่อเราก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นภัยต่อจิตเมื่อได้ปราบสิ่งที่เป็นภายนี้ให้หมดสิ้นสร้ากไปจากใจแล้วอะไรจะมาเป็นภัยอีกไม่มีแล้วมันมีตลอดอนันตการด้วยอาการึก อาการลิโกอาการลิกกิอาการลิกระม ก, ก, ก, ก็ได้จกกิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ากลัวกลัวความทุกข์ความยากคันอันมากเพราะการการประกาศความภาคเพียรไอ้ทุกนี้เคยแล้วเคยแบบเคยหามมาแล้วทุกที่กีดเด็ดติดขึ้นมานนี้วิบาก ทุกเนี่ยก็มีอยู่แล้วในขันทุกที่มันเกิดขึ้นมาในขันก็มีอยู่แล้วทุกที่เกิดขึ้นมาในจิตมันก็มีแล้วเคยแบบเคยหา ม, มาแล้วควรจะเข้าใจควรจะเข็ดหละ่ะควรจะรู้เรื่องกันทำเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นพยายามผิดขึ้นมาจะแตกต่างจากกิกเลสผิดขึ้นมาอย่างไรบ้างผลของมัน เรียนวิชาเพื่อวิมุตต์หลุดพน้นจากความทุกข์เรียนที่ตรงนี้ที่จิตนี้เอาให้จริงจังอย่าล้อแหละใครล้อแหละหาหลักไม่ได้เวลาปฏิบัติทางด้านจิตกับภาวนาก็หาหลักไม่ได้นิสัยไม่จริงจังทําอะไรล้อเลาะแหล ะ, เ ห, ล ะ, เ, หละเหมือนหลักปักขี้ไฟพอแต่จะล้มอยงนั้นใช่ไม่ได้เนี่ยสนามมันสําคัญคือ ร่างกายเนี่ยเอาให้ดีนี่แหละคือที่ซุ่มซ่อนของกิเลสทุกประเภทมันซุ่มซ่อนอยู่ในภูเขาภูเราอันนี้แหละทําลายลงไปด้วยความเป็นอสุภอสุพังให้แหลกแตกกระจายลงไปแล้วตั้งขึ้นมาพิทําลายลงไปไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนไม่ต้องนับเอาความชนานาญเอาความรู้รอบเป็นกดเป็นเกณฑ์เมืม่อรู้รอบแล้วปล่อยเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยแล้วปล่อยเองไม่เคยรู้ก็รู้เอง อันนี้เป็นจุดสําคัญของกิเลสส่วนใหญ่มันซุ่มซ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วลูกหลานของมันก็อยู่นี้หมดทั้งมหากษัตริย์วัตจักรของมันก็อยู่ที่นี่ยิ่งต้องในทําลายนี้เข้าไปทําลายเข้าไปโดยลําดับจนกระทังง่งถึงอุมโมงค์ของมันได้จากจิตมันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทําลายที่นั่นแล้วจะไปทําลายที่ไหนอีกทีนี้หมดเมื่อกษัตริย์วัตจักรอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปแล้ว หมดทุกข์นิโรโธโหโติทุกข์กระดับเพราะเชื่อมันดับสาเหตุมันดับเจออะไรมาทุกข์เรื่องร่างกายก็เป็นธรรมดาของมันนี่เป็นนิบาศมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีมีเก็บหัวปวดท้องเหงืกระหายเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่จิตไม่ได้มาแบกบมันมาเป็นทุกขเวทนากับมานเพราะจิตนั้น เป็นอิทธิพลแล้วจากขันต่างห้าอันเป็นเรื่องของสมมุตินี้อิทนั้นเป็นยิ ม, มุติแล้วเพราะฉะนั้นพระรหันต์จึงไม่มีเวทนาภายในจิตมีแต่เวทนาภายในกายเพียงเท่านั้นเวทนาภ า, ายในจิตของท่านไม่มีตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงจุดสุดยอดแล้วเป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเวทนาใดไม่เข้าไปแทรก เวทนาอนิจจานะวาไงไหนจิตที่บริสุทธ์อนิจจังทุกขังนัตตาได้เมื่อไหร่ผ่านไปหมดทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนาตาัตตาไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคําว่าเวทนาแม้จะละเอียกขนาดไหนก็ไม่มีในจิตของโบราณปรมังสุขขังนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ได้ล้นล้วนตั้หาจึงไม่มีอนิจจังทุกขังเข้าาตาเข้าไปเกี่ยวข้อง เขาไปอ่านเอืมได้อ้าวที่พิจารณาทางวิวิเช้านี้สดสดร้อนๆอยู่กับหัวใจของเรายาเข้าใจะวิชาปรินิพานเป็นนานแล้วทําหมดเกิดหมดสมัยไปแล้วนั่นคือ เ, เพลงอันไพเราะเพราะพริ้งของกิเลสมันกรอมสัตว์ผู้โง่เขลาต่างหากมัจฉิมาปฏิปทาเหมาะสมยี่สิบหลับเวลากับจะปราบเพลงนั้นนะ่ะอยู่กับใจของเราตั้งว่านี่นี้ตลอดเวลา ลังที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอนุนว่าเอทําล้ ว, วินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อถึงการแห่งเราได้ล่วงไปแล้วนั่นสดสดร้อนร้อนสุวรรคธรรมนี้ร้อนๆอนสดสดชัดเจนแ่างแจ้ ง, ง, งนั่นตลอดเวลาโอ้ยเจ้านิพพานไปไหนเรื่องธาตุขันธ์สลายตัวลงไปต่างหาพุทธะนั้นมีการมีสมัยมีสถานที่ที่ตรงไหน การนั่นสถานที่นี่เป็นเรื่องสมมติยมส่วนมากกิเลสมันฝังจมอยู่ในนั้นเราไม่รู้สึกตัวเสียเราพระเจ้าที่ผ่านไนานแล้วธรรมะหมดเข็ดหมดสมัยแล้วปฏิบัติประสาทก็ไม่ได้ผู้เช่นนั้นคือผู้ไม่ปฏิบัติออเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าไปเอาคนโง่งมาเป็นครูสิเอาศาสนาที่พาเป็นครูพุทธทางธรรมสงสถานกระฉามนี่เป็นครูของเราแต่พอ า, าคนไม่สนใจกับธรรมะธรรมโไม่สนใจกับอาักับทํา อมาหลอกโลกนั้นม า, น า, นน า, ามเป็นจนาเนี่งไงได้ยังไงอือเป็นคนนี้ท่านปัญญาสิบายเพื่นอือเอนั้นแหละ